ขอความจเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วระปโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพิมพิสารต่อไปคือ ต, ตอนที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระตาหารแล้วก็ผ้าเนี่ยแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระเจ้าทรงอัโงโมทนาได้แสดงถึงความเป็นมาของเรื่องเปรตเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะแล้วก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทเชื่อมโยงมาถึงวันศาสตร์เป็นวิธีชิงเปรตเป็นวิธีเส้นเปรตตลอดถึงทำอาหารให้เปรตกินในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางนาครศรีธรรมราชทางภาคใต้ในี่มีหลายจังหวัดที่ยวจริงอาจังอย่างยิ่งก็คือที่เมืองนครศรีธรรมราช ที่มีพิธียกหรับแล้วก็ชิงเปรตทากันจนถึงปัจจุบันปัจจุบันรู้สึกจะเข้มข้นมากกว่าเดิมในทําไปคือพระพุทธเจ้าทรงอุปมาไม่ใช่ทรงอุปมาทรงอนมโมทนาในติโรกุฎักกันรักดาขาถาคือคาถาที่ว่าด้วยขวาเรือนเป็นต้นเลยนะ ก็ทรงแสดงว่าูงเปรตมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบ้างณนทางสีแพร่งและทางสามแพร่งบ้างกลายบานประตูบ้างมแสดงถึงว่าที่ยวเชื่อเรื่องวิธีการปล่อยเปรตเนี่ยว่าเป็นวันที่เขาปล่อยเปรตออกมาให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องแล้วก็ ความเชื่อเหล่านี้ก็คงจะมาจากเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับวันศาสตร์วันศาสตรท์ที่วันสิ้นสิ้นเดือนสิบนะฮะินเดือนสิบปิดประทมทำพิธีกันเป็นการใหญ่เพียงแต่ว่าแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็สรุปว่ามันมีญาติที่เป็นเปรตดู เปที่จริงไม่ได้คําหยาบอะไรนะแปลือกผู้ละไปแล้วตนเองคือคนที่จากไปนะจากไปเป็นไรก็ตามมาถือว่าเป็นเปรตการอาจจะเป็นเทพประบุเป็นเทพติดาอยู่กันทั้งหมดเนี่ยก็สรุปว่าเป็นเปรตคือผู้ละจากไปแต่ว่าเปรตในที่นี้เน้นเปรตของพระเจ้าพิมพิสารนะเพราะอนุโมทนาสืบเนื่องมาจากเปรตของพระเจ้าเปรย่าพระเจ้าพิมพิสาร บอกครั้งเมื่อข้าข้าวแลวนะน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นนันมากตั้งไว้แล้วญาติออรของเปรเหล่านั้นระลึกไม่ได้ก็เป็นการยกตัวอย่างในตอนพระเจ้าพิมิสารถวายพระเวรุวันถวายพระตาหารในวันแรกเนี่ยไม่มีใครระลึกถึงเปรที่เป็นอนดีตญาต ต้องเกิดเรื่องดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก็มาแสดงถึงวิธีทาบูญอุทิศให้เก็เปะคือพระธรรมเทศนาลดระดับลงมาเป็นระดับศีลธรรมจัรญาเนี่ยเราจะเห็นว่าเทศเสดเรื่องยากอยู่นะฮะเทศเสดเรื่องสูงกันอยู่เรื่องอนุบุติกถาเรื่องสัจสีเทศสดเรื่องสัจสีซึ่งเป็นเรื่องยากยากกันเนี่ยแลธรรมเทศนาก็หักมุมลงมาพูดเรื่อง การให้ทานกัรการสารีินธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญเนี่ยนะแบบสามัญสามัญอุพาเปตตะภลีคือการทำบุญอุทิศให้แก่เปรตเนี่ยเป็นทักษินานุปาทานเขาบอกว่าเปรตในเป ต, ตโลกคือโลกที่ทันละไปแล้วคือจากหลักฐานต่างๆเนี่ยเท่าที่พบในพระบาลีนะนแสดงว่าเปรตเนี่ยบางจําพวกก็มีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ย แต่ไม่ใช่มีทุกจำพวกคือบางจําพวกมีอยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าเปตโลกจริงๆมันกอ็อยู่ในโลกของเปรตก็บางพวกมีวิมานอยู่โดยทั้งไปนะแล้ววิมานในบางแห่งก็แสดงว่าในโลกมนุษย์แต่มีวิมานเปรตอยู่แต่ว่าเปรตทั่วไปก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะจํานวนหนึ่งพวกหนึ่งก็เปรตมันเยอะเหลือเกินในบาหลีนี่แสดงว่าเป็นสกูลสกูลทั้งสิบสองสกุลอะไรเนี่ย เป็นชีวิตที่น่าสงสารคือไม่มีบุญมากพอจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็บาปไม่แรงพอที่จะตกนรกก็เปรตรต่บางเกิดเป็นเปรตมันเปรตบางในพวกมันก็มีวิมานอยู่ะกลางวันก็อยู่วิมานกลางคืนก็เสะวยกรรมบาปกรรมหรือว่าเปลี่ยนเป็นวันเป็นปักเป็นอะไรเป็นเดือนไปนะก็แล้วแต่เป็นกระบวนการของกรรม ไม่ยากไม่ได้แลลึกถึงเนี่ยจะถามเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยคือหมายความว่า ก, กรรมมันเรียก็เรีกอะไรล่ะบุญมันมีแต่กรรมมันบงังหมายความว่า ก, กรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยว่ า, าสัตว์ม น, นุษย์ไม่ถึงเนี่พี่น้องมันนึกไม่ถึงเพราะว่ากรรมมันบังเอาไว้เพราะอะไรเพราะถ้ายัางไม่ถึงเนี่ยถึงแม้จะอุทิศไปในใจแก่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรับ ไ่พร้อมทด่จะโมทนายินดีมันก็ไม่ได้รับผลจากการอุทิศส่วนกุศลไปให้จากนั้นก็ทร ง, ง, งแสดงว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันโดยนี้เป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้นี่ก็หมายความว่าคนที่มีใจไม่ตายเอนดูนี คือคนเราทุกคนน่ะมันมีญาติที่เป็นเปรตอยู่แน่นอนจะโดยมีมากแลือมีน้อยแต่นั้นเอด้งญาติเราเยอะนะฮะญาติในภพชาติต่างๆนี่มันมีเยอะเราไม่นัเบเฉพาะญาติเราในชาตินี้เป็นชาติเดียวญาติในภพชาติต่างๆที่หมุนวนกันอยู่แล้วเคยเกิดเกี่ยวข้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศากันนะญาติต่างคนก็มีพวกนี้ก็เป็นเปรตอยู่พะการทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยอย่างน้อยพวกเปรตพวกเนี้ย จะได้รับส่ว น, วน ก, กุศลแต่ว่าการอุทิศกุศลนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบส่งพัสดุปไปสนีหมายความเป็นกระบวนการของกรรมแต่ในกรณีเขาไม่เจ้าพินิสานี่แหละเป็นตัวอย่างว่าหนึ่งพระองค์ก็ส่งให้ทานเรียกว่าทานอเมยบุญสมเร็จโดยการไปจากทานแล้วก็ส่งอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ตายเรียกว่าปฏิทานอเมยบุญสมเร็จโดยการให้ส่วนบุญ แล้วเขาก็รักษาอนโมทนาเรียกว่าปัจจานุโมทนาใหม่คือบุญสมเด็จโดการอนโมทนาส่วนบุญรวมแล้วก็เป็นองค์ประกอบสประการนะจึงสมเด็จแก่บุคคลทั้งหลายตามต้องควรแก่ฐานะหมายความเราเองก็ได้บุญในการนี้ให้ทานกับอุทิศส่วนกุศลไปเดงก็ได้บุญในการนี้ก็อนโมทนาส่วนบุญก็เรียกว่าต่างคนต่างทําบุญแต่ว่าอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพออาะยิ่งคือเปรตอาศัยคนที่มีใจเอ็นดูเนี่ยอาหารที่ที่ที่บริจาคก็ไม่ได้ว่าประณีตอะไรนะฮะเห็นผู้ยอมให้น้ำควรดื่มโภชนะ อ, อันสะอาดประณีตเป็นของควรญุญชีพเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่าเนี่อย่างที่บอกไวในวันก่อนว่า ในรบรีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นคำอุทิกุศลสั้นๆว่าธินังโวยาตีนางโหตุสุขีตาโหตุยาตโยเท่านั้นเองทางนี้จงถึงแก่ญาติาทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดเท่นทานั้นเองนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในหลักการของการปฏิบัติเนี่ยขอเพียงเราตั้งใจ อาจจะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีก็ได้แต่เราเป็นไทยเราก็พูดภาษาไทยนะฮะประธานนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ข, าขาอญาติทั้งหลายขข้าพเจ้าจงเป็นสุขก็ขได้ความแล้วนะก็ท่านนั้นเองก็ได้ความแล้วแล้วก็บอกว่าแด้พวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นพร้อมกันมาประชุมในสถานที่ให้ฐานนั้น ความวาในกรณีนี้ในกรณีของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระปเรศอดีตประญ า, าตของพระองค์ก็มาประชุมกันที่ราชวางังนั่นเองแล้วก็มาโมทนาส่วนบุญมาตุมาอันโมทนาโดยพระรถในข้าวในน้ำเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเราได้ ขอยาดเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดแล้วก็บูชาอันท่านอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายทายกนั้นทั้งหลายก็หารายผลไม้คือคือการทำบุญอุทิศกุศลเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบุญความดีให้แก่ผู้กระทา ไม่ใช่ว่าพอเราทำมุทิกุศลให้แก่คนอื่นแล้วเราไม่มีบุญนะที่จริงเราเพิ่มบุญเพราะตัวปฏิทานะไม่ในี่ที่จริงไม่ได้จ่ายอะไรนะปฏิทานะไมัยเนี่ยมันก็ให้กั่ไปเฉยๆแต่นั้นเองเป็นกุศลและเจตนาที่ตั้งใจอุทิศให้แก่ผู้ที่จากไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถอําวยประโยชน์ อางโมยประโยชน์ให้แก่พวกเปรตที่อัางโมทนาหรือพวกญาติตายไปแล้วใช้เงินโมทนาได้แล้วก็ส่งแสดงสถานภาพของเปตโลกนะฮะเปตโลกนั้นบอกว่าอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมคือไม่มีการทํานาไม่มีการเลี้ยงโคไม่มีการค้าขายไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงิน ผู้ทํากาลกิยาละไปแล้วย่อมอย่างอัตภาพไปเป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานที่ยากให้แล้วในโลกนี้แต่ที่แต่ว่าในบาลีประเทศอื่นเนี่ยฮะเนีย่ยบอกว่าพวกเปรตก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับส่วนบุญที่เป็นทานเสมอไปเป็นไว้แต่ประรัตทูบชีวิตเปรตคือเปรตที่เลี้ยงชีพด้วยทานที่บุคคลอื่นอุทิศไปให้ น้องนั้นก็อยู่ด้วยผลกรรมที่ตนกระทาเอาไว้บางทีก็กินเลือดน้องอะไรแต่อะไรต่างๆทั้งก็เล่าวไว้และรายละเอียดพิสดาร น, นั้นนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็มาบอกว่าฝนน้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่รุ่มชั้นใด ทานท่ท ย, ยกให้แล้วแดมนุษย์โลกนี้ย่อมสมเด็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นต่อมาก็ตรงเนี้ยที่ที่เป็นบทที่ที่พระเอามาให้ยถาในในปัจจุบันเนี่ยยถาวาริวหาหเวลาพระให้สีนพรองแรกเวลาให้สีนแมอนเนี่ยเป็นข้อความตรงเนี้ย วายถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาตะลางังเอวเมวิโตตินังเปตานางอุปการปฏิท่นั้นเองนะฮะชวนอิจิตังปฏิตังตุมหังนั้นเป็นคาถาของพระปัิเจ้าพุทธเจ้าที่พระปฏิเจ้าวเวลาใครทําอะไรกับท่านเวลาถวายทานทำบุญตักบาตรอะไรทานท่านก็ให้ปอนอย่างเงี้ยอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิจะตสเฟปุเรนโตสังกภาจันโทปนรโสยถามณีชโชติรโสยถาทนั้น เป็นสองบาทนะฮะสองบาทก็เป็นคาถาที่พระัจเกพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาทานแก่คนที่ถวายทานแก่ท่านตรงนี้บอกว่าข่้งน้ําเต็มด้วยน้ําย่อมอย่างสมุทสาครให้เต็มเปีเ่ยมได้ชั้นใดทานพิทายกให้แล้วแด่มนุษย์โลกนี้ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉะนั้นฉะนั้นก็ ทรงแสดงต่อมาที่เป็นคาถาโหทนารดาสิเมอากาสิเมยียติมิตาสขาจมเมเตตานังดักกินังอดักกินังรั ช, ชาวุเบกะตะมนุสรงางนหฮิรุ น, นังวาโซโควาญาวัญญาเปเดวนานตังเปตานัมมัตตาญาเอาวังติทั้งตะยตะตโยนะอยู่ยตามปกติเวลาเนี้ยเขาไม่แม่ว่าตรงนี้อย่างนี้ก็ขึ้นคีติอาันจจโขดักกินาดินนา คือว่าเป็นข้อความที่ไม่ใช่มันเป็นการเล่าเป็นการเล่าถึงว่าบุคคลผู้มาตามระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการกอนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละ โลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีการดํ่ไรลํำพันธ์อย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวหมายความในกรณีที่ญาติพี่น้องตายไปเนี่ยการร้องหยร้องไห้เสียอกเสียใจมันไม่เป็นได้อะไรขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าญาติที่ตายก็ได้ตายไปแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องการร้องไห้เสียอกเสียใจของเราแต่ประการใด ประการที่สองสุขภาพภารณ า, ามหม่ทั้งกายทั้งจิตของเราก็จะสุดโทมตามไปประการที่สามญาติพี่น้องที่มาในงานศพก็จะพลอยเศร้าโศกเสียใจชัําเติมถูกทัําเติมตามไปด้วยและประการที่สี่คือคนที่รู้สึกเป็นศัตรูมองเราเป็นศัตรูเนจะรู้สึกกระยิมใจดีใจที่เราประสบความทบัต์เดือดร้อนเป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูเขาสบายใจนะเขาก็กยินใจดีใจ เราเองมันมีแต่เสียก็เสียไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวที่พระพุทธเจ้าทร ง, งสอนให้เราพิจารณาแนวพินาศปัจจเวคขณะพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บคายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลาดลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเนี่ยเราเป็นการแสดงให้เห็น ถึงความจริงของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลียงได้แต่ไม่ได้หมายความมาไม่ให้ให้เราพิจนารณาแล้วเิ้งไม่ต้องทําอะไรหมดอะไรตาอยากในชีวิตมันเป็นการกระตุ้นเร่งร้าให้รีบเร่งรัดกระทําความดีเพราะว่าชีวิตเราไม่รู้จะแตกแบบลงเมื่อไหร่นะคุยคุยกันดีๆบางทีก็าตายไปเรื่อๆอย่างเนี้ยอย่างตอนที่เทศกาลปีใหม่เนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสลดนะ แต่ไม่รู้จะว่าอย่างไงพูดไปเขาก็ไม่ฟังอะ่ะตักเตือนกันว่ากล่าวกันห้ามพราหม์กันให้สติกันบอกวิญญาประมาทอยวาคือขนองมากเกินไปทุกปีอ่ะปีใหม่สงกรานช่วงกะถินนะฮะช่วงกระินนี่ช่วงกระถินนี่ก็ตายมากนะเพราะว่ามันเป็นเวลาตั้งเดือน่วงกระถินเนี่ยคนก็ไปทอดกะถินทอดป้าป่ากันมากแล้วก็ช่วงสงกรานกับช่วงปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุตั้งห้าร้อยกว่ารายเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเกือบสี่คนนะ่นากลัวนะฮะไม่ใช่วันนึงเกือบสี่คนชั่วโมงนึงเกือบสี่ค น, นะฮะชั่วโมงนึงเกือบสี่คนก็เรียกว่าเรา4สี่คนนั่นนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายวันนี้คืออะไรก็คือว่าชีวิตเรานั้นมันแตกดับได้ง่ายแล้วถ้า คนเจ้าของชีวิตเป็นคนประมาทแล้วยิ่งปใหญ่เลยถึงจุดหนึ่งก็แตกดับแล้วหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้เพราะท่านจึงบอกว่าเพราะว่าการร้องให้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แกญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วยาตั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น ต่อไปก็เป็นคำํำอนโมทนาอนโมทนาบางทีพระก็ขึ้นนะบางทีก็ไม่ขึ้นตรงเนี้ยอัยนเจโคดกินาดินนาสังกัมพิสุปฏิติตาดีกะระตังอิตายาสาธานาโซปะกปติเนี่ยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะครเพราะว่าเป็นคําสอนยังไม่เป็นคำํำอนโมทนานะยังเป็นคําสอนอยู่บอกว่าก็ทักษิณานี่แหลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ ย่อมสเสด็จประโยชน์เกือ้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั่นตลอดการนานตามฐานะจากนั้นก็ตัวเนี้ยสี่บรรทัดต่อามาทิพทะมานำมันโดธนหาการดูจริงก็มีสี่บรรทัดบรทัดสั้นๆนะนะ่ะัดสั้นๆว่าญาติธรรมนี้นั่นอังท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วการแสดงออกซึ่งญาติธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองแนว นนหนึ่งก็คือทากันในขณะที่แต่ละฝ่ายต้องมีชีวิตอยู่เนี่ยปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟือ้อโดยการมุ่งดีปรารถนาดีอามากําลังกระ Bang ทำหนังสือเล่มหนึ่งก็คิดในแนวเนี้ยนะฮะเราใช้กำว่าท่าทีที่สร้างสรรค์คือหมายความคนเราถ้ามองด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากน ะ, ะอยู่ในโลกไม่กี่วันก็ตายแล้วจะเอาอะไรกันนักหนา ในสูตทุกคนก็ต้องทิ้งสิ่งบางหลายทั้งปวงไปวันการแสดงออกสัญญาติธรรมเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่สร้างสารรค์ต่อ ก, กันคนนี้ญาติของเราค น, นนี้มีตรขเราค น, นนี้เพื่อนของเราคน น, นี้ร่วมาศาสนาเดียวกับเราคน น, นี้ร่วมประเทศเดียวกับเราร่วมสถาบาันระหมากระสับเดียวกับเราอะไรแต่ไรเนี่ยก็ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพวกกันนนะฮะเป็นพวกกันทํายังไงจะสร้างความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้ แล้วก็แสดงให้ปรากฏด้วยความมีน้ำใจอบอ้อมอารีก็เพื่อเพื่อแผ่กันนีประการเด่นเพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งตายไปแล้วเราก็ทําบุญที่กุศลส่งไปให้แล้วก็เปตาณปูชาจากตาอุาราเพราะบูชาอันยิ่งท่านได้ทําแล้วก็ญาติทั้งหลายภูรลูกนี้ไปแล้วหมายความพิธีกรรมทั้งหลายที่เราทําทั้งหมดในงานศพในงานที่เกี่ยวกับศพ มันเป็นการงานที่ทำอย่างโอลาหมากแล้วก็เสียสละมากแต่ว่าเวลานี้ที่จริงเราสิ้นเปลืองไปในเรื่องอื่นนี่มากที่ทําบุญเป็นชิ้นเป็นอันุทิกุศลจริงๆมีไม่เท่าไรหรอกแม้แต่บทนานะฮะบทนาบางทีก็เป็นเรื่องลุงลังฟันเตะเยอะเลยอแทนที่จะสนใจใน เนื้อหาสาระของการบวชนาคในวัดทำยังไงถึงจะเป็นการบวชนาคที่ถูกต้องคนไม่ค่อยมองในประเด็นเหล่านี้กันเท่าไหร่ทีนี้การบูชาต่อญาติอีกประการหนึ่งเนี่ยคือศึกษาคุณธรรมความดีของท่านที่เป็นเหตุให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยแต่ยึดถือเป็นแบบ มาดำเนินชีวิตต่อคือสืบสารสิ่งดีงามต่างๆที่ท่านได้รักษาไว้แือคนในบ้านในเมืองเราเนี่ยที่จริงถ้าเราจะเอาเป็นหลักะเอาเขาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่จริงมันใช้ได้ทั้งนั้นนะหมายความคนที่ไปไปชี้สู้ไปพึ่งผิดเราก็ไม่เอาเขาเป็นแบบไม่เอาอย่างที่เขาทําไม่ทําอย่างที่เขาทําไม่คิดอย่างที่เขาคิดไม่พูดอย่างที่เขาพูด ทีนี้คนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ในร่องในรออยู่ในกรอบความปรัถูกต้องดีงามแล้วก็ยึดถือก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาศึกษามาปฏิบัติตามมันก็ได้ประโยชน์ระกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตรงนี้มันเป็นธรรมะสำเร็จรูปคือธรรมะที่พิสูจน์ตัวเองว่าดีมันก็ดีดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีใครทําให้สําคัญหนอกแต่ว่าจากการกระทําในทําคนให้เป็นคนดีหรือคนไม่ดี โดยใชยการกระทำของเขาเองแล้วก็กําลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วอันนี้ก็หมายความว่าในการทำบุญแต่ละคราวเนี่ยก็มีการถวายทานแก่ประสงค์แต่ในกรณีพตะยาตระยาพิมิสานี่ก็มีการถวายทานแก่ประสงค์ทำไมจงพูดเรื่องทานมามันเป็นปัญหาที่ว่าญาติทั้งก็หิวโหวยนะฮะหิวโหวยล้ว ก็ต้องการจะได้อาหารเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าไม่ใช่พระเป็นบุรุษไปจนดีแต่ว่าเมื่อเราถวายทานเนี่ยมันสําเร็จโดยสถานะของมันการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานปานะเป็นการให้ความสุขการให้ประเทศเป็นการให้แสงสว่างหมายความเป็นเรื่องกิจยาปฏิกยาเนี่ยทําอย่างนี้ให้ผลอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ ถึงเราก็ต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็จะได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการในการทำบุญุทธิ์กุศลในลักษณะนี้สรุปแล้วว่าบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วคือสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยการการทำกุศลความดีทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่า ในแวดวงของการทําบุญอุทิศกุศลประเภทเรียกว่าทักษิณาโนภาทานเนี่ยถ้าเรานับดูใหดีมันครบนะคือครบบุญยักษิยาวัตถุทั้งสิประการมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนามีการช่วยเหลือคนควายกันในกิจการงานที่ชอบมีการรับพิจรณ์หล่อน้อมของตนระผู้ใหญ่มีการให้ส่วนบุญมีการอนุโมทนาส่วนบุญมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรม แล้วก็มีการทำความเห็นของตนให้ถูกตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพรันระญาติของพระเจ้าพิมิสารที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาโดยคาถานี้ในที่สุดท่านก็ได้อนุโมทนาชื่นชมยินดีแล้วก็ก็หมดบาปนะฮะคือบาปที่เป็นเหตุได้เป็นเปรตแต่ว่าบาปเป็นเหตุ มันวอกในทางสายวัดสายเราทางสายวัด ก, ก็ยังอยู่นั่นแหละแต่บาปที่เป็นเดชท่านดเป็นเปรกก็ชื่อว่าได้หมดไปในพระใจพิดกเนี่ยได้ให้ความรู้ในระดับต่างๆอะไอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าความรู้ก็บางทีก็ระดับพื้นพื้นบางทีระดับถิ่นรำจัญญาแต่อย่างที่พูดไว้ในวันก่อนที่ว่าอริยาวาาอย่างเงี้ยอริยาวา่าหรือว่าคุณของพระเสขะพระเสขะ เอสิประการได้ ว, ว่าทศพลยานสิปการอย่างเงี้ยซึ่งวันหลังจะต้องหาโอกาสมานำมาคุยกันดูว่าเป็นคุณธรรมที่แน่นอนความสมบูรณ์เต็มที่นั้นเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนเราสามัญทั่วไปก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเจาะ จ, จงเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงฝ่ายเดียว คือแต่ละคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถน้องนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทั้งฟังทั้งหลายใตลมประภณิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี